งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันใช่ไหมคะ น, น, นิทัศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมคะสวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมคะ ที่พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหั ส, สบสดีใช่ไหมคะหอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะสามารถถ่ายรูปได้ไหมคะ ต, ต, ต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมคะ ชูอันนี้เวสพากิปอร์เนริข้าผ่านประตูราคาเท่าไรคะคิยอมคอสตัสลเอนีโรมีส่วนลดสาหรับหมู่คณะไหมคะชูเอสตัสราบาตอปอร์กรุ๊ปยมีส่วนลดสาหรับเด็กไหมคะชูเอสตัสราบาตอปอร์อินฟานอยมีส่วนลดสหบบา ห, สรสหรับนักศึกษาไหมคะ ช่วยสร้สระบาต์อร์สตูเดนยนั่นตึกอะไรคะที่อยากก่อสร้างตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วคะที่ยอมยาราสตึกนี้ใครเป็นคนสร้างตึกนี้คะทนนีคอรูลกคอสรอาง ดิฉันสนใจในสถาปัตยกรรมมีอินเทอร์เรซีจัสพรีอาร์กิเตรดิฉันสนใจในศิลปกรรมมีอินเทอร์เรซซี่จัสพรีอาร์ตดิฉันสนใจในจิตกรรมมีอินเทอร์เ a ซซี่จัสพรีเนราต